ตอนนี้นอกจากแนวตรกรมมีการโนดที่น่าสนใจรูหนึ่งกะการออสการออสเนี่ยผันสารน้อยแท่าทำมาตกการมาโจมโชนพอสมควรถึงประเดนก็คือตั้งใจปฏิบั ต, ติตรงนี้มาสนใจแล้วก็ อารมณ์กรรมฐานอารมณ์ปฏิบัติก็<น>ถือว่าในวัดนี้มันที่ยอมรับกันคนหนึ่งนในหมู่พระด้วยกันเดี๋ยวชาตนี้ลองดูผู้ใหม่ที่มาปฏิบัติตามเรื่องเกวบอารมณ์ของปราบดใหม่ถ้อรู้นะ่าลาตีนานอยู่กบการการปฏิบัติ<น>หรือว่ท่านจะเยอะไรให้เรา เป็นธรรมะที่พอจะน้อมนำมาปฏิบัติในวันนี้หรือว่าในขณะนี้ก็ตามกลรกราบอรรถธนา อ, นจนอ า, นาจารย์โอตเกตธรรมะสมควรแก่ทำแก่เวลาต่อไปครับผมขออภอยน้อมพระพุทธธรรมประสงค์ขอกราบ มรการหลวงปู่กรมพมระอาจารย์ชงศิลป์พระอาจารย์โน้ตแล้วก็เขาอกาศมูสงทุกรูปเจริญในธรรมแม่ชีแล้วก็ญาติโยมทุกคนจึงช่วงนี้ <c oughs> ผมอยู่ผมเรีาามายอยู่ในช่วงเก็บอารมณ์เนาะแล้วก็กถ้าอยากจะพูดก็คงพูดนิดนิดหน่อย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 ของขนาดนี้ขนาดนี้รู้แล้วก็ผ่านรู้แล้วก็ผ่านปัจจุบันก็ยังไม่ได้ยึดหรอกอดเดืยนนายคนไม่ต้องพูดถึงแต่ว่าไม่ยึดก็ถูกหยิบมาใช้ความทรงจำต่างๆอันนั้นลำ่ำใ้เกิดหน้าที่ขึ้นมาปฏิบัติธรรมและเทียงแต่เป็นธรรมชาติไม่ได้เป็นกรรมอะไรเป็นแค่าการกลิยาต่างๆอันนี้เป็นความหมายที่ลึก คืออยู่เปวันๆทำทั้งวันไม่ได้ทำอะไรมันมีอยู่นั้นปฏิบัติกรรมปริวัติธรรมนี่มันอยู่ตรงนี้ละตรงที่ความรู้สึกถ้าเราใช้ความรู้สึกเป็นสิ่งที่มันมีอยู่ไม่จะไม่มีนะความรู้สึกสตินะมีอยู่แต่ว่าลักษณะที่มันมีปัญญาประสบการณ์ต่างๆใช้แล้วดีใช้แล้วไม่ดี ใจแล้วเป็นประโยชน์ใจแล้วเป็นโทษนี่มันก็จะมีมันเป็นธรรมชาติธรรมดาในตัวเราทุกคนนะแต่ว่าการที่ไม่เห็นปฏิยาการเราเนี่มันเป็นความละเอียดปกติเราเห็นออกไปนอกตัวแต่ตอนนี้เราเห็นกลับมาจนกระทั่งมันเห็นทั้งในตัวและก็นอกตัว ก่อนนอกตัวก็หลงไปนอกตัวพอมาปฏิบัติเห็นในตัวก็หลงก็ไปในตัวจะมาเห็นทั้งในและทั้งนอกเห็นนอกเห็นในของบุตรเรียนบอกเหมือนอยู่ปากถ้ำออยู่ปากถ้ำมองมาในถ้ำก็ไม่ได้อยู่ในถ้ำมองไปนอกถ้ำข้างนอกไม่ได้ออกไปอยู่นอกถ้ำอยู่ขลางกลางสภาวะตัวนี้เป็นสภาวะของสมทุลซึ่งมันไม่ใช่คำอธิบายหรอก แต่ว่าเมื่อเราฝึกหัดปฏิบัติธรมรมนมาฝึกมาหัดกันด้วยว่าเรื่องคอดเกลลมเคลื่อนมาเราก็ได้เห็นเครื่องนอกระยามที่ไม่ใส่ใจหรือว่าส่งจิตออกไปแต่ว่ามันก็จะมีข้อมันตามเนยกฎของธรรมชาตินตามเหตุตามปัจจัยที่มันมีอยู่ฝนตกอย่างเงี้ยด้มันจะมีเหตุทําไมฝนต้องตกโยงโยงโยงโยงยงโยงไปมีเหตุาหมากมาย ต้นไม้ทาไมต้องล้มมันก็มีเหตุอีกมากไหมทั้งตะวันมาพันทั้งน้ําฝนมีน้ําหนักทั้งบางทีต้นมันก็บริแลนต์ปัวก็กินหลายเรื่องหลายเหตุหลายปัจจัยแต่ว่าได้จังหวะมันมันก็ล้มให้เราได้ดูนี่คือเรื่าการเกิดตับการสลัดคืนทั้งภายนอกทั้งภายในเรื่องของกายโยนให้เรื่องกายเจ็บปวดเม่อยต่างๆหิวกรหายหนาวร้อน สลัดใหมันไม่ต้องเอาติดมาเป็นผู้ที่รับรู้แล้วก็ทุกไปกับกลเรายุติธรรมยุติ้วยธรรมไม่ต้องเชื่อมต่อเป็นเป็นชนวนชนวนหนึ่งจะทำห้เกิดที่หลายอย่างชนวนก็คือเป็นเรื่องของตัดจริงๆไม่เชื่อมต่อ ทุกกายเป็นทุกของกายทุกจิตทุกใจเป็นทุกของจิตใจก็ามีปัญญาปัญญาที่จะเกี่ยวข้องเขายังถูกต้องอเช่นว่าเรื่องเรื่องราวบางบางเรื่องเนี่ยมันมันไปแก้ไขไม่ได้เพราะว่าเหตุปัจจัยต่างๆฝนทำไมต้องตกเราจะไปแก้ไขไม่ได้อย่าตกต้นไม้อย่าล้มแก้ไขไม่ได้ แต่ว่าเราสามารถทาตัวเองให้หาที่ปลอดภัยได้หวง่เห็นได้เคยพูดถึงว่าการอยู่สุกตัวเนี่ยท่านตายด้สองเรื่องทำนายตัวเองอไว้เรื่อที่หนึ่งตายเพราะว่าต้นไม้ล้มทับเรนอที่สองือตายเพราะโดนงูกัดงูชุมสังเกตดูบบล้ฝนตกอย่างเงี้ยตามเดืนจะมีงูเล็กๆอยู่งูตำทานไ่เจอเ้างอไหร แต่ลานหินโค้งน in ี bah, paint, ่เยอะก็อยู่ละยังลานหินโค้งนมก่อนที่สลาหอดไรนั้นมันมีเสาอยู่เราเสาบรรโลกงอมกันเลยเข้าแล้วก็เลยออกผมพ่อเห็นก็บอกว่ามันไม่ปลอดภัยผมพ่อเกี่ยวข้องเลยมันเอาปูนมาเทกรอกใส่ว่า เอาดินมาถมจะให้ไม่เห็นเป็นรูเอาอยาอัดลงไปให้เป็นพื้นที่อันตรายแล้วสัตว์อยู่ไม่ได้ผัวก็ขึ้นไม่ได้งูก็อยู่ไม่ได้ก็คือเกี่ยวข้องอะไรที่เป็นอันตรายที่เป็นโทษก็มีปัญญาเข้าไปเกี่ยวข้องแบบนั้นเป็นฝ่กุศลฝ่ายความไม่เสื่อมแทนที่จะตายตามอายุขัย นถ้าโดนงู ก, กัดมันก็ตายก่อนอายุไขมันก็มองเห็นแบบนั้นต้นไม้ลม้มไส้เราจะตายก่อนอายุไขมันควรตายตอนอ 10, ายุเจ็ดแ1ดสิบเก้าสิบร้อยปีทำไมตายอายุไขมันมีอยู่แล้วก็กรรมไม่ตัดรอนโดยว่ากรรมที่เป็นฝ่ายอกุศลกว่าไม่ฉลาดบาปมืดโง่ มงนมันก็เกี่ยวข้องได้บางทีคนอื่นก็ดูแลเราบางทีเราก็ดูแลเราคนอื่นดูแลเราก็คือผู้รู้ไข้ควนแล้วเกี่ยวข้องกับเราด้วยศีลได้หรือไม่ด้วยสติด้วยปัญญาเราก็เลยได้ทั้งสิ่งแวดล้อมช่วยเหลือเราหรือว่า เรื่องของการฝึกสติมันเป็นสิ่งแวดล้อมรัฐ่าสุขโขทโธตอนนี้เก็บลมเข้มกำแพงสี่สิบันสร้างสิ่งแวดล้อมกำหนดสมมติมันหยตดขึ้นมาแล้วก็ฝนที่มันตกตามฤดูกาลหรือไม่ตามฤดูกาลอย่างเช่นสังเกตได้ว่าปกติฝนฟ้าขนองลักษณะ น, น, นี้ตอนช่วงเดือนนี้จะไม่มีที่สุขโขทโธเป็นลนักษณะของฝนฟ้าขนองลักษณะอย่างนี้ ฟ้ภาผ่าฟ้าแหลกฟ้าร้องจะมีช่วงท้ายๆของบรรษาช่วงจะหมดฝนแล้วปลายฝนต้นหนาวเรียกว่าฝนผ่าหัวประหมอหักคอน่อไม้ปีนี้มันไม่มีอยู่ๆฝนเงีบยบไปเฉยๆไม่มีเสียงฟ้าร้องโบราณก็ว่า มันเรียกลูกกลับไปเวลาจะบดฝนเนี่ยเข้าหน้าหนาวมันก็จะเรียกกันสั่งเสียกันร้องฟ้าหลัฟ้าล้าลองเพิ่มมาโปลดตอนนี้เนระวันสองวันที่ผ่านมานะพาคุติอย่างี้มันก็เป็นเรื่องที่ได้ฝึกตนเอาเหตุการณ์ที่มันเป็นเหตุปัจจัย จากภายนอกน้อมก็มาภายในผมและตมาเคยเดินฝนตกฟ้าร้องพระขนองแล้วก็ทำวัดตอนนั้นไม่ทำวัดที่สรานี้สลานี้ยังไม่มีสลาเอาไกลอยู่ที่สลาไกยทําวัดเสร็จตอนเย็นอารมณมันกะ็ดีนะทําวัดเสร็จฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมก็เดินพักอยู่ที่กุฏิสิบห้าอาโศกกา ระหว่างเดินขึ้นไปน้ําฝนก็รวมตัวกันไหลมาเป็นทางตามทางเดินเนี่ยจะประมาณครึ่งครึ่งแข้งทางเดินก็เดินจะเป็นร่องมันก็เดินลุยน้ําไปเลยทันใดนั้นเองมันนึกถึงงูว่าจะมาตามน้ําสัตว์หีพิจจะมาตามน้ํามันมีอ้ถาวัรกิ่งไม้ มันมาแตกที่ขาเนี่มันจะดุ้งย่องเลยขณะที่มันปร่งเนี่ยมันจะดุ้งโอ้เราได้เห็นแล้วนี่ในนในอาการที่มันปร่งเป็นอย่างนี้มันหลงมาเป็นอย่างงี้แล้วมันก็จะดุ้งเลยก่อนถึงกูติมันมีปลาผ่าเปรี้ยงเลยขนลุกสู้โอ้โหมันแบบทั้งตัวเลยมันเห็นแล้วเดินปกติเลยแต่ทำไมมันเกิดอะไรขึ้นเนโอ้มันไปรับที่หูเอง มันเห็นอะไรอาการที่เปี้ยงกระแทกมาเป็นรับโหขนลุกสู้พอรู้ทันาหายแว บ, บไปแล้วมันกลายเป็นเรื่องของความโชคดีหนะรือว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติที่เขาพยายามสอนเราอยู่ตลอดเวลานะอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาแต่การที่เราเผลอลงเข้าไปเนะี่ยตอนหลังมาสังเกตว่าพอจิตมันตั้งมั่นจริงๆเนะแรงกระแทกเหล่านั้นมันไม่ได้มีความหมายอะไรนะอย่างเราเร็วเนี้ยฝน ตกแกระฟาผ่าเปลี่ยงกุฏิพระแรงมากนะแสงนี่สว่างวับจบินเฉยเฉยสังเกตได้จิตมันเฉยเฉยมันมีเสียงดังกำบั น, นาดเลยนะแต่ว่าจิตมันเฉเฉยโอ้มันก็มีแบบนี้งไงก็เลยแนละ้วการหายตัวก็มีธรรมชาติก็มีอยู่ตามกฎของธรรมชาตนะิแต่ว่า สติปัญญาหรือว่าการปล่อยการวางอะไรนั้นมันก็แสดงตัวกันเองกันมาถึงคุณภาพะนะคุณภาพที่เรายามจะสอดส่องทำเห็นทำอยู่ตลอดเวลานเนื่องต่อเนื่องเชื่อมโยงกันมันก็เลยไม่ประมาลทละทุกขณะเรารู้สึกตัวอย่าไม่ปล่อยปาหูจหมกูกเล่นกายใจของเรามันเป็นตะวันที่ชวนให้เราทุกมาพุ่งปลดออกไปผลปลอยได้ ติดปลายนวลมาคือถภาว่าของความทุกข์ชื่อมีความเชื่อว่าทุขไม่มีตามที่เคยได้ยินได้ฟังจากผู้รู้หรือว่าภิกษุณีตนนึงที่เคยพูดว่าเออมีแต่ทุกข์ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีแต่ทุกข์เท่านั้นนะนอกนั้นไม่มีอะไรเกิดดับเกิดดับอยู่ทุกวันเนี่ยมีแต่ทุกข์เท่านั้น สัพ ส, ส, ส, สิ่ ง, ต, งต่างๆการเปลี่ยนแปลงไปมันอยู่ในกดของพระไตรลักษณ์เกิดจับความทึกตัวไม่ใช่แค่ความทึกตัวอย่างเดียวแต่ท้าไทย่ส ก, ก็คือมันเป็นอะไรหลายอย่างที่ไม่ให้เราประปติดกับดักของธรรมชาติต่างๆทำํำไมเกิดกรรมขึ้นมาเป็นความดีเป็นความช่วยเป็นความสุขเป็ความทุกข์มันก็เลยกลายเป็นว่าเออทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นอย่างที่มันเป็นนั่นแหละ ธรรมชาติเรื่องของเขาเรื่องของภายนอกเหตุปัจจัยภายนอกเราะนั้นเหนือเหตุเหนือปัจจัยมันก็มีอยู่เหมือนกันเหนือเหตุเหนือปัจจัยที่เหตุปัจจั ย, ยจะปรุงแต่งจิตใจของเราไม่ได้มีอยู่ปรุงปรับสะดุง้งปรุงปรับหวาดกระวานปรุงปรับเกิดความกลัวขึ้นไหเนื่องจากความรู้สึกตัว ความเป็นปกติอันนี้เราเลือกได้เลือกที่จะประพฤติวัดปฏิบัติธรรมเลือกการเคลื่อนการไหลยังนั้งความเป็นปกติมันเด่นมาจริงๆตรงนั้นมันมีพลังพอสมควรมันเป็นลนักษณะของกรอบกรอบที่เป็นเรื่องของโลกุตะละกรอบของสติสัมผัสที่มันเต็มโรคแล้วมันรู้ในได้ไวมันรู้ตัวเนี่ยชัดเป็นเป็นลนักษณะของหลัก หรือว่าใช้คำว่าสแตนบายก็ได้ส่วนภายนอกนี่พลังจะลดลงไปทันทีเล ย, เ, ลยเข้าใจหลวงผ่้เทียนว่ามันมีภาษาพูดอยู่ประโยคหนึ่งแต่ว่าในในการวินิจฉัยลวดตีความของบุคคลนู้นก็บอกว่ามันคืออารมณ์สัมมัตะก็คือการที่เรารู้คำว่ารู้ในตัวนะร่้งกายรู้การเคลื่อนไหวเป็นหลักเอาไว้นะ เวลาเราคุยเวลาเราทําอะไรก็ตามเนะี่ยเราสัมผัสกระทบเอาไว้เรียกว่าสแปนไบอ่ะนะเป็นหลักเอาไว้เหมือนนักมวยเต้นฟุตเวิร์กเอาไว้ตลอดเวลาเวลาเรียกว่าเก็บอาการจะไม่แสดงอาการที่เหมือนกับว่าหมดเรี่ยวหมดแรงออกมามันถูกชกทันทีนักมวยที่ดีต้องฟนะุตเวิร์กออกลูกเล่าลูกชนจนคู่ต่อสู้หลวงทานคู่ต่อสู้มีกําลังแต่ว่า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 เป็นศัตรูคู่ค่าพยาบาทเลยก็ะตาเราเดินใส่แบบใส่มีความรู้สึกตัวนะมองหน้ามองตาก็ตาเปิดมองแต่ว่าใจไม่ได้มองนะใจเรามองกลับมากลับมาหาความรู้สึกตัวเนะปากฏแล้วก็กนลังว่าเรามีดีอะไรเปล่าเราไม่ได้มีดีอะไรเลยเรารู้สึกตัวอยู่เผลอก็พูดจนเบือเเอเ่อก็เบื่อเองก็เลยพูดไเองเลยมใช้ได้ มันเหมือนกับว่าความรู้สึกตัวที่เราพยายามสแตนบายไว้มันช่วยเราอยู่ตลอดในรอบเวลาถนะาว่ามัเป็นอารมณ์สมถะสามาธิมองสมถะก็สมถะไปไปไรอารมณ์เนี้ยิี่สำคัญที่วนก็คือมันช่วยเราต่อแรกก่อนเหมือนก็ควรนะจะมีเงินขนาดไหนก็ตามอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันเงินที่มีเราพยายามที่จะทํางานให้เต็มที่ก่อนงานการของเร า, เรามีความสุขการทํางานนีไ ด, ได้ได้ต่อแล้วนะอีกต่อเนืงก็คือขณะที่ทํางานนะ นอกจากได้ผลของงานแล้วผลของงานยังทําประโยชน์อย่างอื่นได้ถ้าเป็นการค้าขายก็คือมีคนมาซื้อแน่นอนยนะจะได้เงินได้ทองทุกวันทุกวันพอได้มาแล้วก็เอาฝากไว้สิได้มาแล้วก็าฝากไว้ซะอาแน น, นจะเป็นลักษณะของมหาเศรษฐีแน่นอนมหาสติก็เป็นอย่างนี้แหละหลังจากที่เราไม่ประมาทยาวรู้สึกตัวอยู่ตลาดนั้นเวล า, าเท่ากับเราเหมือนกับว่าเวลามีอารมณ์มักระต่าขนาดนั้นนะ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 เวลาเดินเดินแล้วก็เหมือนกับมีกิ่งไม้มาแตะแล้วจิตเราปรุงว่าเป็นงูแล้วว่าเดินจะถึงกุฏิแล้วก็ฟ้ามันผ่าเปี้ยงลงมาอย่างเงี้ยเราขนลุกสู้อันนี้ก็ทําให้เราเห็นเห็นว่าอ๋อสมมติฐานของการปรุงการแต่งหรือว่าเวลากระปรุงแต่งจนะทั่งเกิดความกลวัวตรงนั้นมันอยู่ตรงไหนมันจะมองย้อนกลับมาและเห็นที่อยู่ของมันนะเห็นสมมุติบัญญัต เห็นบัญญัติทํำไมเกิดการกลัวแล้วก็มีปฏิยาของจิตมาสู่ของกายอย่างนี้นะจิตของเรามันเกิดขึ้นมากลัวขนปฏิยาข้างเคียงสัญญาณชีพของกายก็เปลี่ยนไปตามอย่างนี้อันนี้นจะกลายเป็นเรื่องของร่องรอยเราจะเห็นช่องทางเราเห็นร่องรอยชัดเจนว่ารอยของความหลงมันเป็นอย่างนี้มันเดินแบบนี้ รอยอความรู้ปรากฏอย่างนี้มันอยู่ตรงนี้ความเป็นปกติจิตเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นการศึกษา ธ, ธรรมชาติทั้งภายในและภายนอกภายนอกและภายในจะทั้งมันได้กันตอบก็คือความเป็นปกติที่ชัดเจนความรู้สึกตัวที่ช่วยเราอยู่ตลอดเวลาเป็นธรรมที่ทำให้เกินกกว่าเิดความไม่ประมาณในชัดเจนนั่นก็ถือว่ามาอนุโนทนาที่ท่านจอออได้พูดทําให้เราได้ฟังจะทั้งเหมือนียบว่า